พระธรรมเตศนาจารดกเรื่องสังสินธนูใจผูกสิบสองเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูประเรียนธรรมภพประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อาทาโกมหาสัตโตอาคันตานะมาตารังนะปัตสิตวาตุมมโนอะโหสิติสาธาวุดุราสาปุริจตังลายอันวานิยายไปแจ้งพระจรงแสงเทสานาวาภิกขเว ดูราพิโกตั้งหลายอันเป็นสายอริยจาตเจ้อนักพาธารงยานส่วนกุมารหน่อเนาปิกปอกเตาขึ้นมา <c oughs> อยู่ผังกาภาษาตอันอินตาธีราชยอบันซ้ำบ่อหันแม่ไทยซอเสียงไข่ไปในร้องเรียกไปจูห้อง เสียงตอบทองบ่หันมีนอบูนีหนุ่มเนาตุกโศกเศร้าเครื่องกาปริเตวนาร้องไห้ว่ากูนี่ใสเมื่อมอนกังดงดอนปากวางไบ่อ้างไปหันคุณสวรจวยไว้จริงจักใดขึ้นมาสมัมมานดาแม่ขา้าปัดผักนานีหาย เรือหกใจปีเก้าป่าแม่เจ้าเมื่อเมืองหรือแม่เรื่องศกไม่เข้าป่าไม่ดงไพร ย, ยักจังไรใจหยาบมากันกาไปกินเรือสายนารินหกผัวกลัวเปิ้นหัวปลุ้นจริงบาทุลขับไวจุแม่ไทยใสยใจเข้าดงไพรป่าไม่แล้วละข้าไว้นี่ไฮนั่นจ้า นอพุทธติไวร่องรำให้ไรจาวาพระมันดาแม่เก้ากือนางนอเน่าสุวรรณนาปภากบมันดาแม่ข้ากือนางนอนลาปตุมมาไปในจ้าตั้งกู่สังบอยู่สะกนลูกเตี้ยวหนมาแล้วขอแม่แก้วมาปันส่วนสุวรรณสิงหาาชปีเก้าอาจเสงซา รักษาออกไทยตีจิมไก่ดอน้ายสั่งว่าหายหลีกนาหรือเปิ่นค้าเหมือนกู้่อบุญจูนาไทยตุกมัดไม้นำนา <c oughs> สองแกนตาและลวาดอยาาู่ผาสาดไปบนพ่อหาตนแม่เจ้าบ่หันปอกเต้าขึ้นมาเต้าโซกาหนังให้ อยู่ภาสั์ใหญ่เดียวได้และนาะตัสมิงคาเนในข า, านาะนันไซ ส, สองแก่นไทยเตวีกับพระเจสาศิปิกาโอลาป้าสาดงนาเปืือเสาะหาดอไทยไข่ป่าไม้ดงตันก็บ่หันยังเจ้าจิิงปอกเตาขึ้นมา เจตน้ำตาบอขาดขึ้นภาษาดปไปบนก่อหันตนลูกลาให้อยู่ตากองตั้งสองกิงบ้างน้อยหนาดกับสิงหาราบุญมีปีติมีมากเต้าจริงแล่นเข้าไปหาแหวดรุมปราร้องไห้ปอกองไข่ผังกาแล้วไข่จ้าทำข่าวซึ่งดอดเต้าใสา่ใจ เจ้าก็ใครบอกเล่าตั้งแต่เก่าถึงปลายด้วยปาริายทวนที่บ่มีที่สังกาก็มีฮั่นและนาทีนี้จากวันนาจะเล่าถึงเมืองเก่าปัญจาลนาคพระพูทรกุสราชกันฮืออาตและพระจา เอากันมามวลหมมวลเล่นอยู่เจ็ดวันเพื่อทุนควันน้องลางามเงินฟ้าสุนันตาและลานสายตาห น, น่อยงามจื่จ้จอยสุวรรณรังสีภูมิราคานาดีบ่อเศร้าตั้งลูกเตาหกใจถึงสุดปลายเบียนแล้ว เต้าตอนแกวราจาก็ฮือสุนันตาน้อยนาดและลานราตเตรียมใจอยู่ห่อใจภาษาตีห้องราชไปบนฝ <c oughs> ูงหมูคนจูโฟ ก, ก็อปอกโซเกหาสุนันตานอเนากับลูกเต้าสวรร์รังสีอยู่ปุรีเมืองใหญ่มีข้าใจนาน้ำ ของกินล้ำเหลือแลเขายกแผยยอเกณฑบอ่อเครื่องเข็นกันยากบอ่อลำบากกันได้หมูนางไหนหนุ่มเทาอยู่แวดเป้าเป็นปริวานสองนองคานแม่ลูกสกตุกถูกตัวมาบอ่อไคจ่จากเกาถอยหน้าต่ำก้อยมองขีหมูตาสีข้าใจยินร้อนไหมหนาน้ำ <c oughs> ของกินลำหลายสิ่งราซาหญิงหลายอันบ่อไข่พันเข้าไก่เต่าละไว้มองได้เขาก็เมื่อท้าไวน่อมไวซึ่งเต่าไทายราจาขาบทุนสาเหล่าเก้าเฮเต่าเจ้าตามี เจ้าปูเรีกุศราชกัอามาทโหรากอปิกษาพ่อหมูายเท่าปู่สามานกอทุนสารน้อมไว้ซึ่งเท่าไทายทรงเมืองว่าสองบนเรื่องแม่โลกเตียงได้ถูกมนยำจากดงดำป่าไม้อันยักษ์ใสมานานจิงมองผ่านโสกเศร้ามักไขเข้าดงตัน <c oughs> วัวเดากันแต่งหางตามดังจังกตมาปัดโรกาพญนหยาดปัดอุบาทจังไรปัดบนใจยักเพลิดอันมีเศษตัวมาปัดนาดาก็ใหญ่ซองแกนไทยเตียงดีมากกันโหระกาวแล้วเต่าตนแก้วผาปุรีก็ฮือโมดีผู้ใหญ่มาปัดไล่พวงไพร ปัด อ, อันตารายอุบาทแก่นองนาดใส่ใจกับสีนงไว้ละน้อยตามก่าวถอยโหราสุนันตานาทไทยยินโคตไหม่เหลือลายถมน้ำลายเข้าใส่ยังหมอใหญ่คนดีว่ากูบอมีพานยับอมีอุบาทอย่างไรเป็นสันได้สู่เจ้ามาปัดเป่าเอาสัง <c oughs> หมอได้ฟังนางก่าก่อไว้เต่าราชาว่ามนยักษ์ขาหยาบจ้ายังอยู่กาเหลือแรงผียักษ์แฝงเข้าใส่ดังคาได้เคยหันกวรปกหันแถมไม่เอาเครื่องใส่ทองทองทมทองตามริดก้องแต่เก้ามนยักษ์เท่าจริงจักหายผียักษ์้ายจริงจักกว่าออกไปฝ่าดงรี พระผู้มีกุศลก็เฮืออามาตดาปันแต่งยังคันอันใหญ่มีพร้อมไข่นานาฮือโหรผู้เท่าเข้าปัดเล่าสองตี <c oughs> ส่วนสายสรีหยอดซอยกับลูกน้อยสายใจขี้ข้านไข่เก่าอุลวดดักอยู่ไผมันปูหมอหันว่าแป้ก๊มนี่แกจับลาย ย่อมือถ่ายน้อมไมซึ่งเต่าไทยราชาแล้วกล็ลาไปสู่ยังที่อยู่แห่งตนก็มิหันแลนา <c oughs> นางสูนันตาหน่อแนากับลูกเต่าสุวรรณรังสีตุกเครื่องขีไม่มาดบ่อเสียงขาดไก่กา <c oughs> เหตุขานิ่งหาบ่แล้วยังดอกแก้วสินธุใจเต้าอยู่ไหนดักอยู่บ่ไข่อู้เจียนจาพอหน้าตาบนเศร้าทุกคำเจ้าแรงไงเขาเกาะไปท่าวายน้อมไว้ซึ่งเต้าไทยต่อมีเจ้าบุปผรีกุศราชใจเฮาหาดกุฏ้าวเม่นสูนันตาหนองเน่ากับลูกเต้าใส่ใจ อยู่เวียงใจใหญ่กว้างภายใจบ่ออ้างเจยบ้านตุกมองผ่านถูกต้องใจอ่วงคองดองไพรสู่จุงไปแต่งสร้างยังผาศาสตร์กว้างเจียงคา น, นอกสาธานเบื้องใหญ่หื้อซองแก่นไทยเย็นใจเบื่อ น, นั่นเสนาอาหมาตและจางผู้ฉลาดกะทำการ เล่นสนสารแต่งสร้างยังพาศาสตร์กว้างใส่สีนอกปุรีเมืองใหญ่ดังเตา่าไทยหากปงปั่นกันเอากันแต่งแล้วยังพาศาสตร์แก้ววันไว้ก็รีบไปฝั่งฝ้าขาบทุนเต่ากุศลราชราจ้าเต่าก็มีอาจยาบ่าจา้าเอน้องลาสุนันตา <c oughs> กับทิดาโนยนาจากพาสาดหอใจเอากันไปอยู่ซางทีาา่พาสาดกวางเจียงคานออกสาทานเมืองใหญ่หื้อสองแก่นไทยเจยบ้านเลยนา ต, ต่อปัญญ า, าแรกแต่นั่นไปนาบอเนินจ่าหึงนานพระผู้บ้านกุศราชกอ่อเกิดขวาดก็นิ่งหาอย่างสูนันตาหน่อเนา <c oughs> คาปลูกเตาสวรรณรังสีว่ายังเครื่องขี่ดังเก่าหรือสองเกี่ยงเจ้าเย็นใจกวรกูไปทำทีเฮือเสียงตีสังกากันพิจารณาดังดีแล้วก็กาดแก่อตียยวไปสู่หอใจภาษาแห่งดังนาสุนันตาออกปาราเมืองใหญ่ แล้วเต่าไทยจริงใครจะว่าดราสูนันตาน้องเนาเมื่อยักเท่าป่าไปจุมคนไหนไผ่ไตตุกศอกไม่ตั้งเมืองเมื่อโ o กบนเรื่องโลกเต่าตัวเอาเจ้าขึ้นมาเจา้าปราจุผูจมจื่นสูใจบ้านสุขสำราญโหร้องปอตัวห้องเวียงใจ เป็นสันได้ดองเดาป้อยโศกเศร้าเครื่องกาจุงไข่จาบอกปีเอทวนทีตามีแดเตอร์เมื่อนั่นโซนันตานอดอนเนาจริงไว้เจา้รารจา้าอันเป็นผ้าตาปีเกา้าว่าขา้าแดเจ้าหอใจกันข้าไข่เก่าแลว้ว ขอพี่แกวราชาอย่าได้จากาอาบอกเล่าสู่คนใดค่าตุกใจหมัดไม่นับทวนไข่สามตีเมือ่อยักผีหยาบเจ้าอุ้มเอากวานีไก่ค่าตุกใจแต่เหล่าดาจักเข้าเบื่อมอนอยู่ดงดอนป่าไม้กับยักษ์ใหญ่กุมพัน ก็ได้หันโดกน้อยงามจิ้นจ้อยสุวรรณรังสีเหมือนหลายปีควบเขายักป่อเจ้าปาลาเล้าที่ดาหนยนอไปตาต่อมากสกากับนาก ร, ราจายดใหญ่ตีลุ่มไตเมืองมันยักกลุ่มพันบ่อแพ่จริงจักแกสัญญาเอาที่ดาน้นยนาไปเป็นราเตวี ตัวเครื่องขีดใจจ้าเกิดแก่ข้าหนสองนำตาน้องบ่อขาดอะไรดังนาธิดาทัศนั้นมาแถมเหล่ายัางมีเจ้ากุ ม, มานนาตาบ้านจื่จจอยคือเจ้านัดน้อยสินธนุใจก่อเข้าไปรอดคารบยากากุ่มพันเจ้าก่อฝันมันขาดมาราฏเป็นผี ป้าคดาีบ่จ้าหืออยู่ท่าในไพรแล้ว เ, เตียวไปเอาใดยังแกวแก่นไทยสุวรรณรังสีแข็งฤทธิ์ทียแลแหลจริงจักแปนาคาแล้วป้ามาตั้งหมู่จอดอยังอยู่ดอนายมีหกใจลมเนาวว่าเป็นลูกเจ้าราจาเจอาอากันมาแวดลอม แหนแหออมเป็นปริวานบ่อปอนานแต่เหล่าหมูเขาเจ้าหกคนก่อนน้ำตนนอลาเข้าคุ้มป่าเครื่อนาเพื่อซอหาดอกไมมีบรายเต็มดงตาวันลงต่าก้อยหกใจน้อยจริงขึ้นมาแล้วใครจะต้านต่อ ว่าเจ้าน้อยนอหายไปกลางดงไพรป่าไม้เสาะเสียงไข่บอ่อหันมาเยนียวเขาป้าน่องลาเอาไปคาเพิงมีนอบูนีลานไทยเขาป่าไม้ไรสนบอ่อได้ห่นปิ๊กปอกวายนาออกขึ้นมาคาคะนิ่งหาบอ่อแล้วยังลานนอแก้วสินธนุใจ กำเครื่องใจนี่ใสนับอ่านใดพ่อสามแม่นใจร้กหลานค้าบ่อปอกนาขึ้นมาข้าเตียงมาราณากาดในภาษาดหอใจล้อันยังใครบอกค่าว่าใดอยู่ป่าดงนาเหตุปิตาพ่อเต้าฟังคกำกล่าวโหราอนันมุสาเล่าเป่าฮ่อพ่อเจ้าครับนี้ ย้อนเตวีแม่เก้างามบ่เศรหกคนใจเมาวนบาบใบไข้ฮือลูกไดเป็นดีรังวันมีลายแหลยืนปันแก่โหราฮือทุนสาเต้าเจ้าว่าลูกเต้าเขาดีบุญหลังมีมากว่างกวรอยู่สร้างเวียงใจ ส, สวนลูกใส่ใจแม่เก้ากับลูกนงังหน่อเน่าสุดปลาย <c oughs> เป็นอนตะยหลายลากวบขับจากเสียเมืองพระบุญเรืองตนป่อฟังํำศอโหราบอพิจารณาคือทองตมริด จ, จ้องกองทำหลวดขับจำลกเตากับแม่เจ้าเตวีจากปุรีใหญ่กว้างไปอยู่้ังดงไพรหลาสใสใจลูกเตาได้บอกเกา่านาหนา วะยับกว่างคำป่าไม้กับป่าใหญ่กวรอามฮือใจรำปีเก่างามบ่อเศร้าคนไปถวยตนป่อเตาปั่นอยู่ดาวเวียงใจลานน้อยไค่ที่แจ้งบ่อเสียงแห่งสังบ่มีแห่งสังกาแม่นหายตาผากนาตัวแห่งค้าเตียงมัมบายแล้ว อังสุตว่าพญากุศราชฟังถ้อยวาจเจียนจาแห่งสุนันตาน้องเนาวลวดมนเ้าโซกาค่ะนิ่งหาจ่าใจยังลูกแก่นไทยสินธนุใจว่าสายใจลูกกลาอยู่ที่ป่าแดนใดปี่จะไปสอใสเอาลูกไทยขึ้นมานาังก็จะตันเหล่า <c oughs> ว่าขาน้องนานาวค า, าน้องเจ้าหอใจบอได้ไปเล็งพอหือหัน่อสายตาว่าอยู่ดงนาเถื่อนทองตาติต้องแดนได้ต่ว่าลานสายใจหนอไไถได้บอกไว้วันมาว่าอยู่กับมันดาสองเจ้ากับปีเก้าสิงหาราตใจหาน กางดงดานป่าไม้หนแจงไต่ไกลาดกิรีสัตสีบอขาดในภาษาจีงคานสุขสำราญจุสิ่งมีพ้อมหมิงจูอันอันอันคุณสวันเตบไทยเนระมิดไว้เหมือนมา้าลานสายตาขินไทย ได้บอกไว้วันอ่อนกันผู้ทอนพี่เจ้าบักไข่เข้าดงไพรก็จุงไปอย่าจ้าตามดังคาไข่กรมแดดเตอร์เมื่อนั้นพญากุศราชก็ปอกภาสัดหัวใจถึงวันในพวกเจ้าก็เรียกลูกเต่าหกใจมานังย้ายแวดวกล แล้วเตาไทยบุญมีก็ไข่กำดีต้านต่อว่าลูกรักนอใส่ใจป่อจักไปสุปาแอาลเล่นลากว่างฟานหมอปอนานแต่เหล่าจักปอกเต่าขึ้นมาฮือบุตตาจูภูรักสาอยู่แต่เมืองอย่าแก่นเคืองมนเศร้า ถ้าราบต่อเต้าป่อขึ้นมากันเต้าจ่าสั่งแล้วของเสนาแก้วเตรียมใจรีบเรวไว้แต่งหางยังหมู่จ้างตัวหานมีพมานบ่อน้อยได้ห้าร้อยเป็นธารตั้งโยธาหาเท้าไปจอมเต้าหอคำเข้าดงดำป่าไม่นับหือได้ป่อปัน ันเล่ากันพร้อมแล้วเต้าอตอนแก้วผู้บ้านก็ขีดจ้างสาร น, น้ำหมูออกไปสู่ไพรสนก็มีหันและ น, ะ า, า, า, นาอามาทางปะกาเซนโตสัทธาสัทธาสับปัญญูยอดซอยหันบาททอยบาลีบทหลังมีไปแจ้ง พระจิงแสงเตสะนาวาโสราจามหาเสนายาสทิงมหาวานังปวีสิท่าดังนี้เป็นต้นผีข้าเวดุราผีกูตั้งลายอันเป็นสายอริยะเจ้านั่งอยู่เฝ้าฟังธรรมส่วนเจ้าห่อคำกุศลารฟังนางนาสุนันตา หากทุนสาบอกกล่าวร่อนผ้าผ้าผัานไฟว่ากวนกูไปป่าไม่แอลซอไ้แสวงหายังบุตรตาลูกเตากับซองเจ่องเจ้าเตวีกันเจ้าปุรีเกิดแลกก่อากาดแก้อลีลาปอกขึ้นมาที่อยู่ไผ่บหูสักคน <c oughs> ใจบว่วนบ่แล้วเกิดหาลูกแก้วสินธนุใจกันตาวันใสสองแจงตัวตุกแห่งจุ่มปูเต้าบุญจูกุศราดก็เรียกลูกน้อยนาดหกใจมาหนังยายเวดไก่แล้วเตา้าไทยก็เจียนจาว่าขอบุตตาจูผูเอากันอยู่เวียงใจพ่อจากไปเป่าไม่ตามตีไกเมืองเรา บ่อนันเานาเด่นจ้าจักปกนาคืนมาจุงรักษาภาศาสย่าภามาทวางใจอย่าฮือไปมาตองตกถูกห้องปุรีต้องเตวีแม่เจ้าจุงอยู่เฝ้าขืนวันกันพาญยาสั่งแล้วก็เฮามาดแก้วต่าง เร่งดางดาแต่งหางยังหมู่จ้างปายสารมีพามานห้ารอ้อยบ่อใหญ่น้อยเสมอกันมาเร็วปัน้นยา่าขาดตั้งบอกนาดปืนยาหงนาดาเคื่องใจดาแต่งไวจูผักก า, ารโยธาหารองอาจยาเอขาดเสียปัน้นแล้วเอากันยกอย่าจ้ามาอยู่หน้าหอใจ เสนาหน่อยผู้แก่นลูกแล้วเล่นไปไว้ไข่กําไปบอกหมูฮื้อได้หูจู่คนคนฟุ้งรีปนหมูจาง <c oughs> ดาแต่งหางเรียวปันโยทาพันหอกดาบมาผาผ้าเป็นสายโหร้องภายมีก้องจ้างเส่น ร, ร้องนั้นเนือง โยธาเรื่องเป็นตามาพ่อมนาเร็วไว้เจ้าหอใจกุศลราชก็ขี่จ้างอาจมงกน้นนำรีปนมวลหมูออกไปสู่ดงไพรแลยนาะอันว่าพันากุศลศาอยาสะอาดดือซากับเสนาพวกจ้างเขาปากวางดงไพรเปื่อจากไปซอไสแก้วแก่นไทยบุตรตา จุมโยทาหัวร้องเสียงมีกองดงดวงจังปันพวงร่องแสนร่องแล้วแลลนจอมกันฝุ่นเป็นควันฟุ้งแตกไม้หญ้าแหลกเป็นพงสาดในดงแลลนกว่าหกเข้าป่าแดนไกโยทาในแห่งเตา้าลัดด่านดาวดงตันใ้เจ็ดวันเป็นขานาดจริงหันภาสาดเชียงคาน แห่งหนอโพธิญาณเจียงเจ้ากางป่าเศร้าดงไพรเจ้าจอมไตหันแล้วใจฟ่องแผวสมมนัสสาวานิจาภาษาแห่งโลกตระกราดบุญมีรุ่งเรื่องดีใจจใ่าไตลุ่มฟ้าบ่มีสองกู้จักรลองไปพอ่อฮื้หันต่อสายตา กันพิจารณาเกิดใดก็เฮเสนาใหญ่ข้นหานตั้งจ้างสารมวลหมูย่งท่าอยู่แด น, นไก่เจ้าหัวใจกุศลราตก่อยใหญ่าบาทมนีลาเ <c oughs> ข้าไปหาติไกผ่าสัตว์ใหญ่ใส่สีและนาในกาละนั่นนางเจีองจันสุวรรณปภา และป้าตุมมาหน้อยหนาตั้งสิงหราใจหันและนอโปที่ยันกินกู้พงนั่งอยู่ภายในยินเสียงไก่สาแซวกลางด่านดาวดงดาไก่เข้ามาเตือน้อยเจ้าหยดซอยบุญจูถือท่าดูบ่อจ่าตั้งดาบกาเตรียมใจตาและไปบ่พาก ตัดเสียงหากดังมาเยวพาตาปิเก้าใจกําเศร้าหกใจมีใจไม่บวเลวใครค้าแบแก้วมันด่างจิงยกโยธามวนหมู่เข้ามาสู่ดงไพรเจ้าใส่ใจน้อยหนอสั้นตอสั้นตาพอเบือนน่านหันจ้างสานหลายแหล่โยธาแพ่นำนา พอดออกมาเป็นหมูย่งจอดอยู่เป็นสายเจ้าบุญภัยนอหน่อยจริงตานถอยเจียนจากับมันดาเป็นเจ้า ว, ว่าแม่นคาสึกเข้ามาจูจะเกาตานูอันใหญ่หยายยดยิงใส่สับปันคือเขามันตั้งหมูได้เข้าสู่มรณะขอมันดาแม่เจ้า อย่าโศกเศร้ากันทดยอย่ามีใจสาตานขึ้นผ่านยานลบหนีเจ้าบุญมีน้อยหน่อเล็งสั้นพอเต็มตาตัดโยธามวลหมู่มาตั้งอยู่ยังย้ายหันยังใจหนึ่งใสเตียวเข้าไกมหามีลักคณาองอาจเทียงเป็นเต้าที่ราธรงเมือง นางบุญเรืองแม่ไทยยืนอยู่ไกลบุตตาเล็งไปมาสั้นทีโก็เกาจีกำไฟว่ดดูราสาใสใจที่ราชเจ้าจุงวาดวางลงยังธนุกงเลิดแล้วกับดาบดาบแก้วสะหนีกันใจจุงลงไปน้อมใบเสงเต่าไทยพิตา คนที่มานั้นเหล่าคือพ่อเจ้าดีดีแม่นมาดีหรือไรก่อยรู้ใต้ไปลุนพ่อมีกุณอันใหญ่จุงไปไวเร็วไวสินธาหนูใจหน่อเนาฟังแม่เจ้าใครจะาจริงไกรกาญยวริญาตกับสิ่งหาราชใายใจรีบลงไปน่อมไว ตั got, um so Christ, life, ้ง mm ป่อไทยตามกรรมแล้วกก็น้ำมาสู่ยังที่อยู่ไปบนก็มีวันนั้นแลงนี่ที่ตังขีญยาสังวันนานาวิเศษจ้าห้องเหตุสังสินธาตุใจผูกซิปซองกอบังกมสมเร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล